แดดร้อนอากาศหนาวนอกจากยังรวมไปถึงว่าคนรักของรักไม่เป็นไปตามใจไม่เป็นไปตามใจหวังหรือว่าอยากจะช่วยเหลือเขาแต่เขานะก็ไม่สนใจเหมือนเฉย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 คุณนเคยกับพี่ชายมากอายุห่างกับประมาณสิบปีน้องชายก็สี่สิบพี่ชายก็ห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสามพี่ชายนี่กินเหล้ า, มาเมาเป็นประจำน้องชายก็เห็นว่าขา้าวรรษาก็ขอร้องให้พี่ชายงดเหล้านะในช่วงเขา้าวพรรษาพี่ชายก็ไม่สนใจยังกินเหล้า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 หลับไปรู้ตัวก็เอาคัาเตอร์เนี่ยก็ไปปาดคอพี่ชายตายแต่แล้วก็รู้ทรงรู้สึกสำนึกผิดก็เลยรอให้รอไม่หนีไปไหนนะรอมอบตัวกับตำรวจในเรื่องนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่สอนใจได้หลายอย่างนะอ่านข่าแบบนี้แล้วอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไป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 อย่าให้พี่เลิกเหล้าเหล้ากินเหล้าไม่ดีแต่ตัวเนี้กับกินเหล้าไม่ดีมันผิดศีลห้านะแต่ตัวเนี้กับผิดศีลข้อที่หนึ่งนะปาณอาทิบาตเตือนพี่ชายอย่ากินเหล้าแต่ตัวเองนี้กับฆ่าพี่ชายเตือนพี่ชายอย่าผิดศีลห้าแต่ตัวเนี้กับผิดศีลข้อที่หนึ่งซึ่งมันแรงกว่าได้ซ้ําอันนี้มันก็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 มีการทะเลาะบบาแว่งกันก็ถึงกับฆ่ากันได้พ่อฆ่าลูกได้นะเคยเล่าใหฟังมาแล้วนะพ่อนะปารสนาดีกับลูกนะเห็นลูกประพฤติตัวไม่ถูกต้องก็แนะ น, นําแนะนําลูกไม่ฟังมือเสียงก็เกิดการทะเลาะกันแล้ยิ่งสั่งแล้วลูกไม่ทําตามมันก็ยิ่งโกรธ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 ไปเรียกรูป ก, กลับมาแล้วก็มีการทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอย่างแรงนะทะเลาะคงไม่ทะเลาะมากกว่ามีการด่า ก, กันด้วยนะพ่อนี่โกรธมากพ่อนี่เป็นคนที่ชอบเข้าวัดธรรมธรรมโมยิ่งอยากให้ลูกนี่มีธรรมพูดลูกพูดดแบบลูกพูดไม่มีสัมมาทะเละ ก, กับพ่อพ่ อ, อยิงโกรธ โกรธทำไงนะคราวนี้ก็อยากจะทำร้ายเลยเห็นปืนไว้ใกล้ก็ยิงลูกตายพอรู้ตัวว่าตัวเางทำอะไรทำเสร็จมันก็หายหายโกรธนะหรือว่ามันความโกรธมันก็ทุเ่เราลงทำเสร็จไปแล้วรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทาใจไม่ได้ก็เลยยิงตัวเองตายสั้งหมดที่ทำเริ่มต้นเกิดขึ้นจากเพราะความปรารถนาดีกับลูก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 เลิกบุหรีพ่อก็ไม่ยอมเลิกอยากจะให้แมนะ่เลิกกินพวกอาหารประเภศข้าวขาหมูพวกของหวานนะก็ไม่ยอมเลิกแม่เป็นเบาหวานน้ำตายขึ้นแอจกินนะพวกของหวานพวกข้าวเหนียวนะทุเรียนพอลูกรู้ทำงาน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 ก็เป็นแหล่งสำเริงสําราญคนก็กินข้าวกินอาหารกินเหล้ากินเบียร์รอบๆตามขอบจตุรัสนักท่องเที่ยวสเปนนี่ก็ต้องถ้าไปเมดิเร์ก็ต้องเที่ยวพระซ่ามาอยอเหมือนกับเช็คกลุงปรางนี่ก็มีพลาซ่าคือฝรั่งยุโรปก็จะมีจตุรัสใหญ่เล็กๆเล็ ก, ลกสวสนามหลวงแต่ว่ามีชีวิตชีวามาก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 เผาคนที่ทำเช่นเผาคนที่นับถือาศาสนาโปรเสตสแตนต์สเปนกับกับเช็กนี่มนนับถือาศาสนาคาทอลิกโรมันคาทอลิกนใครที่นับถือโปรเตสแตนต์เนี่ยก็ถูกจับมาเผาหาเป็นพวกนอกกรีเผาในนามของาศาสนาคริสตศาสนาซ้ำในนามพระเจ้าเพื่อให้าศาสนาบริสุทธิเ์เมื่อศาสนาดีนยิยมลงการสูงส่งแล้วนี่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 คว้าขวานมาเพราะว่าเมานะเมาเหล้าส่วนน้องชายนี่เอาคัตเตอร์กรีดคอพี่ชายเพราะเมาอารมณ์น้องชายไม่ได้เมาเหล้าแต่เมาอารมณ์เมาความโกรธบางทีเล่าเล่าความโกรธเมาเหล้ากับเมาเมาเมาอารมณ์นี่บางทีเมาอารมณ์นี่น่ากลัวกว่านะเมาเหล้านี่มันก็อาจจะไม่ไม่แต่ทาช่ว่ังทาได้ไม่ค่อย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 พวาเรานี่แม้เวลาจะทําความดีนะสิ่งสาคัญก็คือต้องอย่าลืมดูใจของตัวเองด้วยทําความดีก็ไปไปเพ่งเลียงที่ผลว่าเขาจะทำเขาจะทําตามที่เราแนะนํำไหมนะติดมันก็ส่งออกนอกได้เหมือนกันนะทําความดีก็อยากจะให้คนเขานกย่องอยากจะให้คนเขา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 อยู่คนเดียวหรือเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆต้องไม่ต้องไม่ลืมใจนต้องหมั่นดูใจอยู่เสมอนะพอในงานเนี่ยมันก็อาจจะโดนกิเลสหรือว่าโดนอกุศแลแจิตเนี่ยครอบงําได้แล้วคนเราเนี่ย่ว่าไปแล้วยิ่งยิ่งมีความปรารถนาเหนืใครเนี่ย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 แต่ว่าจะไม่ครบสารนะท่านจ้คุณพรหมพุณารพรแล้วก็เติมมาอีกว่าหนี้กุลนะตัวกูของกูแล้วก็หนีกุลนะหนีกุลนะคือมานะของกูคือตันหาส่วนตัวกูคือทิฏฐิตัวกูของกูหนีกุนะเนี่ยมันคอยนะคอยมาคอยผุดคอยโพรแล้วคอยชักใหญยอยู่เบื้องหลัง แม้กระทั่งเวลาทําความดีเวลาช่วยเหลือเกื้อกูลใครนะมันก็คอยมาคอยมาแจมคอยมาแทะคอยมาเ่วยโอกาสอยู่เสมอที่เราสวดกันทุกทุกเย็นนาะขอหมู่บาลอย่าได้ช่องเนี่นะไอหมู่บาลเนี่ยมันก็น ก, ก็ลงไปถึงในเรื่องของอตัวกูของกูนี่ด้วยนะขอหมูบาลอย่าได้ช่อง โือที่จริงคือว่าอย่าได้เปิดช่องให้หมูมารต่ไปขอให้หมูมารอย่าได้ช่องนี้มันก็มันก็ไม่ดีเท่ากับว่าอย่าเปิดช่องให้หมูมานะอย่าเปิดช่องให้หมูมารเข้ามาจู่โจมคร่อบงำใจเราก็ทำยังไงก็ต้องมีสตินมีสติสติเนี่ยจะเป็นตัวตัวปิดป้องนะไม่เปิดช่องให้หมูมารเข้ามาเล่นงานได้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 ก็เคยมีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีคนมาเยี่ยมไหมเราคนมาเยี่ยมก็บอกนาช่วยให้ธรรมะนะสั้นๆ ส, สักข้อหนึ่งใช่เดี๋ยวนี้คนมาเยี่ยมก็มักจะพูดแบบนี้ไม่ค่อยมีเวลาอก็มีคนถามพูดอย่างนี้กับหลวงปู่ดูลังกันนะขอธรรมะสั้นๆเรื่องการปฏิบัติน ช, ช่วยกําจัดโลภะโทสะโมหะหลวงปู่ท่านก็พูดเสียงดังฟังชัดขึ้นมา